สำเร็จว่าการงานสู้กันสู้กันระหว่าง อ, ออาจารย์กับลูกศิษย์ต่อสู้กันเพื่อหาความรู้หลวงพ่อเองนั้นการงานก็เยอะแยะแต่ว่าพอเวลา อ, อจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ใช้การสับสวิตพอเวลางานอนั้นมาหมดงานก็สับสวิตเอางานใหม่ อางานอันอื่นมาก็สับสวิตเอางานใหม่อันนี้เป็นแบบการใช้พลังจิตเพราะว่าการใช้พลังจิตเนี่พอเกิดพลังมากมากแล้วไปเจอสวิตอย่างที่เราเห็นอะไรนั่งสมาธิไฟอะไรๆต่งตางๆนั่นมันเป็นพิธีญาเขาเปรียบเหมือนกระแสงไฟแต่ถ้าหากว่ า, าผู้ที่จับตัวผู้รู้ได้ ผมบอกว่าเป็นผู้ที่เจอสวิตแล้วพอเจอสวิตแล้วนะ่ะไม่จําเป็นต้องเปิดตลอดเพราะว่าเปิดตลอดในเวลาที่ไม่จําเป็นเราไปเปิดก็หมายความว่าเปิดตลอดไปอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสวิตถ้าเป็นอย่างนั้นนอกจากเปลืองแสงไฟโดยใช่เหตุแล้วยังต้องเปลือง เงินอกที่จะต้องใช้กระแสไฟแล้วก็เปลืองอะไรหลายๆอย่างหลอดเลืดก็เสื่อมสภาพเร็วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับร่างกายและจิตใจของคนเราก็เหมือนกันพอเวลาที่เราไม่มีสวิตเนี่ยมันจะเปิดตลอดพอเปิดตลอดนี่จะเรียกว่าเสียพลังงานโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นการทําสมาธิ ถึงได้ดีตรงนี้เธอสามารถสัดสวิตได้แล้วก็มาถึงเวลาก็เข้าเรื่องเลยว่าเรื่องของการเวลาเช่นว่าอากาลิโกอากาลิโกนี่มันเป็นคำของบาลีแต่เวลาแปลเราก็จะแปลว่าไม่เลือกการเวลาถ้าเรีย ก, กว่าปฏิเสธกาละ แปลว่าการอะหน้าตัวอะจึนเรียกว่าอะกาลิโกอะมปะิเสตแล้วว่าไม่มีกาลิโกก็คือว่าไม่มีการเวลาถ้าเหตุที่ความรู้สึกจะมีอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกที่มีอยู่ตราบใดอารมณ์ก็มีอยู่ตราบนั้นเมอเป็นเช่นนี้การจะทำจิตเป็นสมาธิจึงมีอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่า อารมณ์เป็นตัวตั้งตั้งสูตรขึ้นว่าจะทำอะไรเพราะฉะนั้นทุกขณะจิตมีสิทธิจะตั้งต้นในการดาเนินงานทั้งถูกและทั้งผิดและทั้งใหญ่และทั้งเล็กพอตั้งต้นขึ้นได้ก็จะลุกลามต่อไปเป็นเรื่องเป็นราวในตัวนี้ที่มันเกิดอารมณ์หรือเรียกว่าเป็นตัวตั้งเนี่ย มันไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปมันก็มีร้ายและก็ไม่ร้ายเสมอไปแล้วก็ต้องดีด้วยเพราะฉะนั้น้ากมันร้ายขึ้นมาเนี่มันก็จะทำสงครามทีนี้ถ้าหากว่ามันดีขึ้นมาก็จะระงับสงครามอาจจะก่อตัวทำสิ่งดีและชั่วในกรณีเช่นนี้จะมีความจำเป็นที่จะต้องระงับต้นเหตุหรือ จะมีการส่งเสริมต้นเหตุที่ชื่อว่าอากาลิโกทีนี้เมื่อจะอธิบายให้เข้าใจก็คือว่าใจของคนเรานี่มันจะต้องมีอารมณ์อยู่ตลอดและอารมณ์อันี้มันจะเข้ามาเออยู่ในตัวของเรานอกจากเข้ามาแล้วอารมณ์นนี้ก็จะเป็นจุดก่อตัวเมื่อก่อตัวขึ้นมา กระดังได้กล่าวแล้วมันมีทั้งดีและทั้งไม่ดีเมื่อมีทั้งดีทั้งไม่ดีอย่างนี้อการทำสมาธิจึงต้องเข้าแทรกแซงเมื่อสมาธิเข้าแทรกแซงเนี่ยโอกาสที่จะดีนั้นมากกว่าโอกาสที่จะร้ายนั้นก็ลดลงไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่าสมาธิไม่ได้เข้าแทรกแซงเราก็มีแต่อารมณ์ร้าย นอกจากนั้นก็งุดหงิดเอมีอะไรเกิดขึ้นมาก็แก้ไขไม่ได้เพราะงุดหงิดเมื่อเกิดการงุดหงิดขึ้นมานี่ก็เพาเหตุว่าเราไม่มีสมาธิเข้าแทรกแซงอการทําสมาธิไม่เลือกการเวลาเมื่อบุคคลได้มารวบรวมกําลังจิตใจไว้เป็นชิ้นเป็นอันก็สามารถดูต้นเหตุแห่งการกระทําได้จึงชื่อว่า เป็นประโยชน์ทันยิ่งใหญ่ไพศาลเพราะว่าอาจจะระงับเหตุที่จาเป็นอาจจะรงับเตุที่ต้องทำเพราะว่าการระงับเตุที่จำต้องทำเป็นหมู่เป็นคณนะหรือมารวมกันมากๆคนด้วยกันเพราะว่าการทเ่บุคคลอาจจะเป็นหัวหน้าหรืออาจจะเป็นผู้นำ หรืออาจจะเป็นผู้สําคัญบุคคลผู้นั้นจําเป็นต้องมีสมาธิมากกว่าบุคคลผู้อื่นอีกที่ด้วยเพราะว่าต้องให้สมาธินี่เข้าแทรกแซงเข้าแทรกแซงก็หมายความว่าเป็นผู้กํากับจะบอกให้ว่าสติจะเป็นผู้กํากับใจใจจะเป็นผู้สั่งการสั่งการแล้วก็ งานต่างๆมันจะออกเป็นรูปธรรมขึ้นมาหมายความว่าจิตจะเป็นผู้สั่งการให้เกิดเป็นรูปธรรมต่างๆจะทำงานอะไรขายรถก็ได้ซื้อรถก็ดได้ทำบ้านก็ได้เป็นอาธิบดีปกครองอะไรอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีสมาธิพิว่ารําเป็นจะต้องมีสมาธิเพราะว่า การตัดสินใจนี่มันจะมีมากเพราะการตัดสินใจอันนี้เกิดจากอารมณ์เพราะฉะนั้นจึงต้องมีผู้กำกับผู้กำกับก็คือสติสติจะเป็นผู้กำกับในขณะใดเท่จิตของเรานี่มีอิทธิพลสูงกว่าสติสติมีอิทธิพลน้อยกว่าใจนี่มันจะโลดแล่นหมายความว่ามันจะไปตามใจของมัน มันจะโกรดมันจะพยาะบาทหรือว่ามันจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแอะเ่ให้มันสมกับใจคือว่าคนนี้มันทำเราได้อย่างนี้เราจะต้องทำให้มันยิ่งกว่านี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่ากรณีอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วนี่แสดงว่าผู้กํากับอิทธิพลลดอิทธิพลลงผู้กํากับไม่มีอิทธิพลแล้วใจนั่นจะมีอิทธิพลมากกว่าเหนีห ผู้กํากับคือสติเนี่ยทีเ่เป็นผู้ที่คอยกํากับใจของเราเนี่ยเพราะเหตุใดอิทธิพลจึงได้อ่อนตัวลงการอ่อนตัวลงของสติคือการอ่อนตัวลงของพลังจิตการอ่อนตัวลงของจากของพลังจิตคือการไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นคนที่มีสมาธิเก็บเอาไว้เยอะ เขาจะมีผู้กำกับที่ดีเรียกว่ากำกับไว้การทำจริงอาศัยซึ่งกันและกันในการแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆเนื่องจากว่าได้มาทำจิตให้เกิดความรู้มูลเหตุของจิตนั้นคือความรู้ความนึกคิดเป็นปกติอยู่ในตัวของเราตลอดเวลาเป็นมูลเหตุและเป็นผู้มีความสุขความทุกข์ในปัจจุบันการ ในตัวของเราเพราะฉะนั้นความรู้ที่เราพากันมีความรู้อยู่ในเวลาเนี่ยความรู้ตัวนี้จะเป็นผู้รับรับทั้งหมดรับทั้งความทุกข์รับทั้งความสุขเขามีหน้าที่รับคือตัวผู้รู้เนี่ยถ้าหาว่าขาดตัวผู้รู้ไปแล้วเขาเรียกว่าหมดความรู้สึกเมื่อหมดความรู้สึกแล้วมันจะเย็นก็ได้มันจะร้อนก็ได้เขาจะด่าก็ได้ เขาจะสรรเสริญก็ได้เขาจะไม่รับรู้เพราะฉะนั้นตัวรับรู้เนี่ยเป็นเป็นตัวเรียกว่าเอาเป็นตัวจิต mm hmm. เมื่อเป็นเค่นนั้นในในกรณีที่ผู้เท่ได้ทําสมาธิไว้เป็นพื้นฐานใ้การรับรู้อ น, นี้มาจากผู้กํากับคือสติเพราะฉะนั้นการรับรู้สิ่งเที่มันทําให้หงุดหงิดหรือทําให้ ไม่ปลอดโปรง่งระเตจะช่วยได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะทำให้มีความร่าเริงความร่าเริงในที่นี้ไม่ใช่ความร่าเริงไฟเต้นล็อกเต้นอะไรต่างๆแต่ว่าเป็นความร่าเริงที่เรียกว่าหรือเรียกอีกในยะหนึ่งว่าเป็นการทุ่มชื้นอย่างนี้อันนี้เกิดจากผู้กำกับที่มีกำลังเพราะฉะนั้น การติดตามอารมณ์เหล่านี้จึงเป็นหน้าที่ของสมาธิทั้งนี้เพราะเราได้เริ่มเข้าใจว่าอารมณ์นี้เองเป็นเครื่องยนต์ที่จะหมุนไปตามจังหวะของเครื่องการบังคับเครื่องยนต์นั้นอากาลิโกไม่เลือกการเวลาเช่นเราขับรถยนต์เรากําลังดูเครื่องยนต์ทอผ้าหรือโรงงานประกอบรถยนต์หรือโรงงานป ร, ร, ร, ร, ระกอบเครื่องบินโรงงานทําอาหารกระป๋อง โรงงานประกอบเครื่องมือแพทย์เป็นต้นเพราะว่าโรงงานนั้นมันจะทำงานไปตลอดเนื่องจากว่าต้องการผลิตผลมาให้ได้มากที่สุดขนาดที่เราขับรถยนต์จะต้องบังคับเครื่องไปตามอัตโนมัติเท่ากับว่าเราทำงานตลอดเวลาแล้วก็ต้องควบคุมทุกๆเีทยวของวินาที งานเหล่านี้จึงจะเดินไปได้ดีได้ผลตามความปรารถนาของเจ้าของโรงงานเจ้าของรถยนต์เป็นต้นอากาเลโกจึงได้มาอธิบายมาถึงอากาเลโกที่ว่าทําไมเราจะต้องมีสมาธิไปตลอดกาลเวลาก็เพราะว่าอร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยมันเดินเครื่องอยู่ตลอดเมื่อมันเดินเครื่องอยู่ตลอดเนี่ยเราไปทิ้งจังหวะใดจังหวะหนึ่ง จังหวะนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันจะเข้ามาให้จิตของเราตัดสินสิ่งที่จะให้ที่จะเข้ามาให้ใจของเราเนี่ยต้องอดำเนินการเป็นรูปธรรมต่อไปนั้นทุกๆวินาทีหรือว่าทุกๆเวลามันอาจจะเข้ามาในเวลาใดก็ได้ถ้าหาว่ามันเข้ามาในเวลาที่เรามีสมาธิ ก็เท่ากันกับว่ า, เ, าเรามีผู้กำกับแต่ทีนี้ถ้าหาความันเข้ามาในเวลาเท็จสมาธิมันอ่อนพลังจิตมันอ่อนผู้กำกับสิ้นอิทธิพลทีนี้ก็คือเลือกว่าตามใจแล้วทีนี้เมื่อตามใจแล้วนี่ใจของคนเรานั้นไม่สามารถที่ว่าเมื่อไปโดยการไม่มีหางเสือนั่นจะไปกันยังไงก็ต้องเกิดความ เดือดร้อนขึ้นเป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นอาการกทรทียอว่าไม่เลือกการเลือกเวลานั้นเพราะการทําสมาธินั้นคือการดูอารมณ์แก้ไขาอารมณ์หนึ่งไปสู่อารมณ์หนึ่งให้เป็นประโยชน์เช่นมันกําลังนึกรักนึกชังอะไรบางอย่างแก้ให้มานึกพุทโธเสียตอนนี้ก็เพื่อบังคับไม่ให้หันเหนไปเช่นเดียวกันกับการขับรถยนต์ที่เขาบังคับพวงมาลายัย ให้หันหัวรถไปในทิศนั้นๆหรือไปตามถนนที่ต้องการทําจิตให้เป็นหนึ่งจึงต้องหันเหจิตไปอยู่ในอารมณ์อันที่เรียกว่าอารมณ์อันเดียวแต่อารมณ์นั้นจะต้องไม่เป็นพิษไทยกับจิตของเราอย่างที่เรานึกคําว่าพุโทโธนั้นเพราะว่าพุโทโธไม่เป็นพิดเป็นไทยเพราะพุโทโธหมดจากไทยเวรแล้วพุโทโธนั้นบางคนอาจจะ เอเอ่อเข้าใจว่าพุทโธก็คือพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวพุทโธนั้นแปลว่ารู้อยู่พุทโธพุทโธหรือเรียกว่าพุทธะพุทธะนั้นเป็นภาษาแขกเดี๋ยเรียกว่าภาษาบาลีเป็นภาษากลางซึ่งแม่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้เกิดพุทธะอันนี้เขาก็ใช้ เพราะว่ามันเป็นภาษาภาษาซึ่งแปลว่าผู้รู้อย่างนี้ทีนี้ในประเทศไทยเราเราก็เรียกผู้ที่เป็นผู้าศาสนิคชนเราก็เรียกพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าเรานับถือและเราเคารพว่าท่านเป็นผู้รู้จริงอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าตามศัพท์จริงๆแล้วนั้นพุทโธแปลว่าผู้รู้ หรือผู้ตื่นไม่หับแปลว่าผู้ตื่นหรือว่าผู้รู้เพราะฉะนั้นผู้ที่บริกรรมพุโทโธนี่จึงไม่น่าที่จะระแวงสงสัยว่าพุโทโธนี้จะเป็นพิษเป็นภัยอย่างไรเพราะว่าพุโทโธนั้นเป็นคำพูดส่วนกลางแล้วก็เป็นภาษาหนึ่งในบรรดาภาษาทั้งหลายในโลกนี้ดังนั้น การดำเนินจิตเพื่อให้ได้ผลเร็วขึ้นจึงต้องทำในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแต่หากหาโอกาสเช่นนั้นไม่ได้หรือมีการขัดข้องก็จะต้องทำให้พอดีพอเหมาะกับตัวของเราโดยเฉพาะที่จะเป็นใปได้เท่าที่อธิบายมานี้เพื่อสาใจว่าถ้าจะทำให้เป็นผลจริงจังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างไรก็ตาม จะทำเท่าไรผลก็ต้องออกมาเท่านั้นเพราะว่าการทำสมาธิเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำในระยะยาวเนื่องจากเป็นการสะสมเพื่อเพิ่มพูนพลังจิตไปเรื่อยๆหากเริ่มต้นแล้วการเพิ่มพูนพลังจิตก็จะมีอยู่ต่อไปการเพิ่มพูนพลังจิตในการทำสมาธินั้นพลังจิตนี้ก็จะแ บ, บ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเ้าเรียกว่าพลังหลัก ตัวหนึ่งเรียกว่าพลังเฉลีย่ยในการทำสมาธิทุกครั้งเนี่ยพลังหลักจะอยู่ตายตัวในจิตของเราเนี่ยจะไม่มีการสลายตัวเราตายไปแล้วเกิดมาอีกชาติหนึ่งพลังจิตอันนี้จะยังอยู่แต่พลังเฉลีย่ยนั่นจะไม่อยู่ตายตัวเราต้องใช้แล้วก็หมดไปในการจะทำสมาธิแต่ละครั้งนั้นพลังหลักจะมีอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต พลังเฉลี่ยจะมีอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นนี้โดยประมาณเพราะฉะนั้นพลังเฉลี่ยนเนี่ยเมื่อใช้ใช้ไปแล้วก็หมดไปแต่พลังหลักนั้นจะหมดไปไม่ได้แล้วก็จะพูดถึงเรื่องว่าเการทําสมาธิที่พลังที่มันฝังอยู่ในใจของเราอยู่เนี่ยโดยที่ไม่มีการเสรื่อมสลายเนี่ยยกตัวอย่างอในครั้งพุทธกาลหรือเรียกว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ ลูกศิษย์ท่านพระมาหากัสปะเป็นมานพลูกศิษย์ท่านมาหากัสปะนั้นได้ม า, าทำสมาธิกับท่านจนกระท่านสําเร็จฌานเหาะไปได้ในอากาศแต่ว่าการสําเร็จฌานนั้นกิเลสไม่หมดเพราะฌานไม่ได้ไม่ได้ทําลายกิเลสวิ่ปัสจนาถึงจะทําลายกิเลสเพราะฉะนั้นมานพนั้นก็เหาะไปในอากาศ ออกไปออกมาก็ไปเจอผู้หญิงเข้าผู้หญิงก็เกิดความรักขึ้นมาออกไม่ได้แล้วก็ตกลงมากว่างนั่นก็แล้วกันตกลงมาแล้วก็ต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงนั้นจะเป็นสามีภรรยากันตัวเองก็นั่งสมาธิมาเป็นเวลาสิบกว่ายี่สิบปีมาก็ไม่มีปัญญาที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพแอะที่สุดจริต จึงได้ไปตั้งแก้งขโมยเรียกว่าตั้งแก้งเป็นโจรแล้ลองคิดดูสิว่าคนทาสมาธิขนาดพอได้แล้วนี่ยังมีจิตใจถึงขั้นนี้เพราะมันไอพลังเฉลี่ยเนี่ยมันหมดไปแล้วต่อมาเมื่อเป็นโจรไปเช่าค่าเข้าบ้างมันก่อความเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ก็ต้องจับในที่สุดก็จับเอาไปเพื่อประหารชีวิตเมื่อไปถึงแสแลงแกลงพร้อมแล้ว ที่จะเอาดาบควันลงที่คอของมานพนั้นขณะนั้นท่านสมหาสัพพาดูเหมือนว่าท่านจะคิดถึงลูก ศ, าศาิษย์ขงท่านท่านจะเลยเดินไปเจอเข้าพอเดินไปเจอเข้าท่านก็เหลือบตามองแล้วท่านก็เข้าไปใกล้ๆบอกว่านี่มานพจิตของเธอเคยตั้งอยู่ตรงไหนเธอก็ไปตั้งตรงนั้นแท่เท่านั้นเองมานพคิดได้พลังจิตเขาเรียกว่าพลังหลัก ก็แสดงอิทธิพลขึ้นทันทีมาน็อนั้นก็เข้าชานได้ตามปกติไอ้อเชื่อมโซ่ที่ล่ามอยู่หรืออะไรต่างๆแกก็เป่าทีเดียวหลุดหมดแวก็ห่อกลับไปใหม่ที่พูดมานี่เพื่อให้เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งว่าไอ้อพลังหลักของคนเรานี่ที่ทำสมาธินี่จะไม่สลายตัวถึงจะจะไปเป็ น, ปนจอหนึงจะไปตกนรอกถึงจะไ ป, ะปทาอะไรที่ไหน แอบพลังหลักอั น, น้จะไม่สลายตัวยังอยู่ปกติ mm. เมื่อมาถึงสมาธิในเวลาทำงานถ้าหากว่าจะอธิบายถึงเรื่องการทำสมาธิในการทำงานนั้นก็คงจะซ่องมากอยู่พอสมควรแต่ว่าเราเอาย่อๆเพราะว่าการทำกิจการงานต่างๆนี่ถ้าหากว่าสมาธินี้ คือเราเคยทําอยู่แล้วพลังหลักของเรามีอยู่แล้วเราก็เมื่อถึงการงานนั้นเกิดขึ้นมาเราก็ใช้การทํำสมาธิเพิ่มเติมเพราะว่าการงานนั้นบางครั้งเราจะแก้ไขปัญหาอาจจะแก้ไขไม่ตกเวลานี่มันขาดทุนเวลานี้หาไม่ได้แล้วอบอริษัทจะต้องล้มละลายอะไรอย่างนี้มันหาทางแก้ไม่ได้ ในขณะนั้นสมาธิช่วยได้ถ้าหากว่าเขาหยุดยั้งสักนิดหนึ่งแล้วสมาธิเกิดขึ้นปัญญาจะออกเมื่อปัญญาออกขึ้นมาแล้วนี่แก้ไขเหตุการณ์ต่างๆได้ในธุรกิจเหล่านั้นในหน้าที่เหล่านั้นในเหตุการณ์ขับขันต่างๆเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาเราทำงานนี่ถ้าหากว่าเราจะมีเวลาสักนิดหนึ่งนึกถึงว่า เราทำพุโทโธสักห้านาทีหรือว่าเราจะทําอะไรสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันกันกบคนที่ไม่เคยทําสมาธิเลยจะไปตั้งอย่างนั้นไม่ได้แต่พอคนเคยทําสมาธิแล้วเนี่ย เ, เวลาทํางานเนี่ยสมาธิจะเข้าแทรกแซงทับเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาสามารถที่จะแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆของอธุรกิจเหล่านั้นได้ทีนี้ มาถึงสมาธิเวลาเดินทางการเดินทางนั้นมันก็มีหลายทางด้วยกันรถยนต์บ้างรถไฟบ้างเรือบ้างเครื่องบินบ้างเดินเท้าบ้างเหล่านี้เป็นต้นแต่การที่การเดินทางเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ก็ทำแบบเวลาทำงานก็ได้แต่ต้องรู้กาละเทศะเท่านั้นเราจะทำก็ต้องไม่ให้คนที่อยู่โดยรอบตัวเรา เห็นเราเป็นตัวแปลกปรหลาดเมื่อจะทำก็นึกเอาในใจโดยความเป็นผู้รู้อยู่ภายในแต่ว่าขณะเดินนั้นมีหลายอย่างที่แปลกไปก็คื อ, อการรับอารมณ์ต่างๆจากบุคคลที่แวดล้อมเราจะไปทำเงียบถึงนไม้พูดก็ใคขคงจะไม่ดีแน่เพราะฉะนั้นเพื่อมาให้เสียเวลาในการเดินทางเราจะทำความรู้จักพระตัว การเดินทางดูเหมือนจะเป็นความจําเป็นของมนุษย์ทุกคนการเดินทางอาจจะไกลบ้างใกลบ้บางทางบกทางน้ําทางอากาศคุณประโยชน์ของเราที่ได้จากการฝึกสมาธินั้นไม่ควรให้เสียไปอถ้าเราจะเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกันกันกบคนที่สแสวงหาเงินในการสแสวงหาเงินนั้นเขาไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยเอเขาก็จะ สามารถผลิตเงินขึ้นมาได้ในเมื่อบุคคลผู้นั้นมีธุรกิจที่สามารถจะทำเงินได้ในที่ทุกสถานดังนั้นบุคคลนั้นเขาก็จะไม่ละโอกาสที่เขาจะได้เงินเช่นเดียวกันกับผู้ที่ทำสมาธิเขาก็จะไม่ละโอกาสในการที่จะเอาพลังจิตอย่างนี้เป็นต้นอย่างไรก็ตาม การที่เราเดินทางนั้นถือว่าลำไส้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็อย่าเสียใจก็จะทำไปตามที่โอกาสจะให้แกเราทีนี้เมื่อเราเข้าใจในเรื่องว่าสมาไอสมาเทศเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรานี่เองเราจะเดินทางไปไหนเราจะไปทำอะไรที่ไหนเราไม่เอาใจไปไม่ได้ ประทศไหนใจต้องตามเราไปทุกสถานที่เพราะฉะนั้นสมาธิมันก็อยู่ที่เรานี่เองและทีนี้เราก็เคยทําแล้วสมาธิว่าเวลากําหนดจิตจิตมันเป็นยังไงเราก็สามารถกําหนดได้ในเวลาที่เราไปในที่นั้นในสมัยที่หลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่มั่นระยะหนึ่งท่านก็ให้โอกาสพิเศษวันนี้ให้วิริยัง ไปกับเราเพียงสองตสองเท่านั้นคนอื่นไปด้วยไม่ได้ว่างั้นท่านอาจารย์คงมาอาจารย์ของหลวงพ่ออาจารย์หลวงปู่พันหลวงปู่แหวนหลวงปู่อ้อยเต็มหมดเลยบอกว่าจะเดินไปพร้อมกับหลวงปู่ไปไม่ได้เราไปสองคนวันนั้นเดินไปอีกทางหนึ่งตัางหากวันนั้นเดินจากไหนเดินจากเอจังหวัดสกลนครไปจังหวัดนครพนม ออกจากบ้านานามนเดินไปถึงบ้านอะไรนึกไม่ได้แล้วก็ไปชุมนุมกันที่นั่นแล้วก็ไปแยกตัวที่นั่นแล้วก็หลวงพ่อก็ไปกับท่านเราเดินข้างหลังท่านเดินข้างหน้าเดินไปเรื่อยเดินไปพักหนึ่งท่านก็ถามว่านี่วิทยังคิดอะไรแน่มาถามเราได้แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ท่านก็บอกว่าแกเนี่ยคิดบอกว่ามาอยู่กับหลวงปู่นี่ปีเดียวดีกว่าอยู่กับ อ, อพระอาจารย์เราแปดปีแกคิดได้ไง <c oughs> เ, เราก็ตกใจสิแทนเดินไปก็มาดูใจกันอยู่ตลอดนี่คือการฝึกของหลวงปู่ที่ฝึกหลวงพ่อมาพ่อไปนั่งอยู่ใต้คนต้นไม้เสร็จ แ, แล้ว หลวงพ่อก็ปวดท้องซ้วมแล้วอจางเอากันกลางป่าเพราะ ม, มีส้วมแหวกเข้าไปซ้วมเสร็จหลับออกมาถ้าบอกว่าแกทําผิดแล้วเข้าซ้วมยังตามไปดูเราอีกอผมทําผิดตรงไหนครับ mm. แกซ้วมแล้วแกเอาแต่ไม้แคบแล้วเกิดมาเอาน้ําล้างเนี่ย mm. เลือกผิดวินัยสิท่านบอกว่าอา แต่เจ้าต้องเอาน้ำล้างทีนี้เราก็ไม่ไดเอาน้ำไปเพราะว่าน้ำนี่เราสะพายมาก็เอาไว้ฉันเท่านั้นทา่านก็เลยบอกว่าทา่านเลยเล่าต่อไปว่าในสมัยหนึ่งอพระพุทธศ า, าส น, นาเนี่ยกําลังตกอยู่ในฐานะลําลบากอพระที่เดินมาเขามีพระครองพระจริงไม่รู้องค์ไหนเป็นพระครอมพระจริงเวลานั้นเกิดเรื่องใหก็พระที มีคนคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาหรือเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นเทวดาท่านฤาษ์ลงมาเกิดในตระกูลรามแล้วก็คนนี้แหละที่จะเป็นคนที่จะช่วยเธอเป็นคนที่จะช่วยพระพุทธศาสนาท่านทั้งสององค์เคยได้รับบัญชาจากคณะสงว่า ททั้งสององค์นี้ต้องไปทรมานเจ็ดคนนี้ให้มาบวชในพุทธศาสนาให้ได้แต่การไปเกิดนั่นดันไปเกิดนอกศาสนาไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วทั้งสององค์ก็อุตส่าห์ไปบินทบาทไปบินทบาทเจ็ดปีไม่ใช่วันเดียวนะไม่ใช่ปีเดียวเจ็ดปีพักกี่เดียวไม่เคยใส่แต่ท่านก็อุตส่าห์ไปเพราะว่าต้อจะต้องไปทรมานเด็ดคนนี้ให้ได้เพราะ อได้เจ็ดปีเด็กนั่นก็อายุเจ็ดปีขึ้นมาท่านก็บินธาบัดได้เจ็ดปีวันนั้นสาวใช้ขเขาก็ออกมาบอกท่านว่านีมอนโปลัดข้างหน้าเธอข้ า, าเห็นท่านยืนนานนะักท่านก็เลยเดินกลับไปดีใจแล้วท่านก็ไปเห็นเจ้าของบ้านคือพ่อของเด็กท่านเป็นอะไรล่ะเนี่ยเออบินธาบัดมาเจ็ดปีไม่เคยได้ วันนี้ได้แล้วไอต้ตาพรามนั่นโมโหใหญ่ใครวะเป็นคนไปใส่บาทรพระว้่งกลับมาบ้านใจถามสาวใช้สาวใช้ชบอกไม่มีไม่มีใครใจเอาละวันนี้เราจะจับโคหกพระละวันนี้รุ่งขึ้นท่านทั้งท่านจันทวัดทีและท่านสกิวะนั่นก็ไปบิณฑบาตตามเดิมพอไปถึงแล้วตาพรามโมหก็ออกมาที่หน้านี่ฆราโคหกได้ไงนั อาตะมาโกหกตรงไห น, นก็เมื่อวานนี้ท่านบอกว่าท่านได้หนึ่เจ็ดปีถ้าไม่เคยได้นี่ท่านได้แล้วอ่ะอ๋ออาตะมาได้คําพูดได้คําพูดว่าโกดัดข้างหน้าเคยฆ่าว่างั้นเจ็ดปีไม่เคยได้เพิ่งได้เนี่ยอิจฉาตามกลับใจเอคําพูดท่านยังดีใจขนาดนี้ถ้าเราใส่ข้าวคงจะดีใจกว่านี้นี่รุ่งเช้าจนมาใส่กับข้าวแล้วพอใส่กับข้าวเสร็จ ไม่ใช่เท่านั้นยังไม่หมให้ไปฉันที่บนบ้านอีกเด็กที่เกิดขึ้นมานั้น่ะเป็นผู้ที่มีความฉลาดมากที่สุดเลยอายุเจ็ดขวบเท่านั้นถามปัญหาไม่มีใครตอบได้แล้วทีนี้เมื่อท่านจันทวัฒน์เจและจตุวะขึ้นไปฉันเสร็จแล้วไอ้ตัวแรกมานบพมาตั้งคําถามพระทั้งสององค์ท่านทั้งสององค์ตอบได้หมดทีนี้อ่า เอ้ยัดจังหวะ เ, เลย <c oughs> เยหายเลยไ้ถึงไหนแล้ววะอถึงไหนอ๋อแล้วทางต่างๆท่านตอบได้หมดแล้วทีนี้ถึงทีทท่านสับยว้ยแล้วท่านจัทนจทวัคคีท่านก็ถามว่าหนูหนึ่งไม่มีสองคืออะไรตอบไม่ได้ตอบผิดหมดอ่า เมื่อสอนไปได้ท่านก็ช่วยแก้ให้หน้อยเส้อาตมาไม่แก่ถ้าท่านไม่บวชอย่างนี้อตมาไม่แก่ก็เลยไปอ้อนวอนพ่อพ่อบอกว่าไม่ะเกลียดข้าจะตายแล้วมันจะไปบวชได้ไงไม่ได้ท่านไม่บวชถ้าท่านก็แก้ปัญหาอันนี้ไม่ได้ก็ลงออนุ ญ, ญาตให้บวชพอบวชแล้วเป็นสามัญเณรหน้าที่ของท่านจักอยู่วะที่จะสอนสามัญเณร เ, เนี่ยให้รู้จัก ถ้าใจไปจกจบแล้วอมานพก็ได้บวชเป็นพระพิกษุเมื่ออยุครบก็หน้าที่ของท่านจันทวัชย์อีกที่ว่าะจะเป็นผู้ที่สอนต่อในวันหนึ่งอพิกษุมานพนั้นก็เดินตามหลังท่านจันทวัชยไปเดินไปจะนึกไปเดินไปจะนึกไปล้วเราได้คำกล่าวประโยคอาจารย์เราไม่ได้สักประโยค เราจะมาเป็นอาจารย์เราได้ยังไงอันนี้พูดถึงว่าอย่างปัจจุบันนะเคอสมัยนั้นก็เรียกว่าจบพระกายปีดกอาจารย์เรานี่ไม่ได้จบเลยสักปีดกจะมาสอนเราได้ยังไงเท่านั้นเองท่านทหารควัดมันนับคิดอะไร เ, ออเรานี่โกหกได้ยังไงบอกว่าท่านได้กล้าประโยคอาจารย์ไม่ได้สักประโยคแล้วจะมาสอนท่านได้ยังไงยอมแพ้เลยบอกว่า การกระทําเช่นนี้เป็นการหมิ่นประมาท ต, ต่อพระอาจารย์ใช่ไหมบอกก่ใช่เพราะฉะนั้นเธอต้างสังขยานายครั้งที่สามให้สำเร็จแล้วเ อ, อท่านมานพนั้นเปลี่ยนนามมาชื่อว่าพระโมคคลีได้ไปอยู่ในถ้ำไม่ออกมาเลยอยู่ในถ้ำอยู่งั้นเละจนกระทัง่งพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าโเ อ, อเวลานั้นมีพระ ไปพร้อมบวชบ้างอนไลน์บ้างเจ้าแยกแก้ไขไม่ได้ลูกชายของท่านก็ไปบวชลูกชายพระเจ้าโศกเมื่อลูกชายพระเจ้าโศกไปบวชอยู่ก็ไปปนกับไอ้พระที่ปลอมมาก็ไม่ได้พระเจ้าโศกจึงใช้ทหารเนี่ยไปจับพระให้ลงโอโบสดกันเพราะว่าพระไม่ลงโอโบ ร, ร่วมกันมิแตกสมามเกศทหารก็ไปบังคับให้พระร่วม ถ้าจริงท่านก็ไม่ร่วมก็พระปลอมในที่สุดทหารทําเท่าไหร่ไม่ได้ทหารเลยปรึกษากันว่าถ้าหากว่าพราะไม่รวมกันแล้วเราจะทําไงอ้าวเหมือนก็ไปจับโจนอะโจนไม่ยอมก็ฆ่าเลยในที่สุดก็ฆ่าพราะไปลอยสองค์แล้วก็ไปถึงรูดไทยของพระเจ้าอโศกเฮ้ยแกมาทำไมเนี่ยฆ่าเพราะว่างั้นแกทําได้อย่างไงนี่ท่านแกรู้ไหมในที่สุด ทาหารก็เลยต้องถอยและพระเจ้าอโศกู้เข้าตกใจเอ้เรานี่ทาบุญให้พ่อโกรกัดได้บาปแล้วก็เลยนอนไม่หลับตลอดระยะเวลาอันยาวนานบอกว่าหาพระมาแก้ความสงสัยให้ก็ไม่ได้จกงได้มีพระบอกว่าโนอนท่านโมกคัลีบุตรท่านเป็นพระาอารหันต์ไปนิมนต์มามเถอะ พระเจ้าทระจงก็นห้มนบอกว่าให้มาแก้กความสงสัยถ้าไปแก้กความสงสัยอาตมาไม่ไปและถ้าหากว่าจะมาจะให้พูดยังไงก็บอกว่าให้มาทําสังคยานายพื้นภูพุทธศาสนาอาตมาจะไปม้อกันเลพระเจ้าอโศกจะยอมรับถ้ยอมรับแล้วท่านหม้อกันเลก็กลับมาถึงพอมาถึงแล้วพระเจ้าอโศก บ, บอกว่าเอ๊ะ ขโมยเคลีนี่จะมีริ้แค่ไหนนะเขาก็เลยเอาช้างเนี่ยพอเวลาไปบินธบัตรเนี่ยเขาเอาช้างมันกาลังตกมันไล่แพรดเข้ามาเขโมอกคันียอา้าวช้างนี่มันเห็นเนี่ยทีเดียวช้างเป็นหินเลยพระเจ้าเรก็วิ่งลงมาขอเข้ามาโทษนมนมรรคท่านขึ้นไปฉันเออก็อยากเห็นปาฏิหารของท่านอ่ะถ้าหากว่าอย่างนี้จะช่วยงานพุทธศาสนาไหว้กระขอแสดงปาฏิหารหน่อย ท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าทําแผ่นดินไหวในเมืองปาตาลีบุตรเนี่ยท่านเข้าชานที่เดียวแผ่นดินไหวแต่บ้านไม่พังนะเพราะว่าไหวด้วยฤทธิ์แล้วทําไมถึงรู้ว่าแผ่นดินไหวเพราะว่าให้เอาน้ําเนี่ยไปวางไว้ทุกบ้านเลยเสร็จแล้วน้ําทุกบ้านปหมดอ้าวมีเชื่อมาอีกช่านหนึ่งยังไม่หมดยังไมให้หายสงสัยที่ว่าเรามีบาปไหม ถ้าหารเราไปฆ่าพระกันร้อยเนี่ยบาทจะตกแฉยอมหรือเปล่าท่านก็บอกว่าไม่ไม่ตกหลับถ้าโยมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเอ๊ะมันก็เป็นเพราะผมนี่เป็นคนใช้เข้าไปท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปเอานกขุนทองมาตัวหนึ่งนกขุนทองแล้วเราสอนนกขุนทองนี่บอกว่าท่านฆ่าคนกายสิคนท่านฆ่าพันกายสิคนให้มันพูดในที่สุดนกขุนทองนั่นก็พ่เาเวลาเอา้าแกพูดใช่นก นกนก็บอกว่าฉันฆ่าคนตายสิบคนแล้วแล้วท่านก็ถามพระเจ้าแผ่ดินว่าแล้วนอกนั่นมันเป็นบาปไหมไม่เป็นหายความสงสัยยกอะไรต่ออะไรให้แตาเรื่องนี้มันก็ยังไม่จบแต่ว่าเวลาล่วงเกินไปมากที่ว่าจะต้องพูดให้ล่วงเกินไปมากหน่อยนั่นเพราะว่ามันจบไปบทหนึ่งแล้วไอไ้อบทนี้ไอ้บทแรดล้อมนี่มันจบวันนี้ดังนีที่อหลวงพ่อ อาตั้มเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังนั่นเพราะว่ า, วาหลวงผู่มั่นท่านพอบตาหลวงพ่อเดินไปในทันหันหลังกับพับนี่แจคิดอะไรมันเหมือนกันกับท่านฟันเจะวะคีเขาพูดกันกับไอ้มาท่านเล่าให้ฟังก็เลยมาเล่าให้คณะนักศึกษาฟังต่อเพราะว่ า, วาเดี๋ยวจะตั้มหยุดไปสองวันก็เล ย, เ อ, ยเอาเรื่องนี้ฝากไว้ในใจ แล้วก็พอเวลาวันเปิดก็คงจะมาต่อกันใหม่ต่อไปก็ขอเชิญคุณคนะรงคงจะนามกราบเรียนส ม, นส ม, นส า, มา ห, าาหาระธาภท่านนะิรับว่าการนั่งสมาธิมือซ้ายทับมือขวาเท้าซ้ายทับเท้าขวานี่จะมีจะเกิดผลอะไรไหมครับเพราะผมเคยเห็นท้าธรรทำมาเล้วหลับกันนะ มือขวาทักมือซ้ายมือซ้ายทักมือขวาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าคนบางคนมัมนถ น, นัดซ้ายคนบางคนก็ถ น, นัดขวาเพราะฉะนั้นจึงไม่ลงยุติว่าจะต้องเอามือขวาทักมือซ้ายเสนอไปบางคนเขียนหนังสือก็เขียนโดยมือซ้ายบางคนก็เขียนโดยมือขวาอันนี้ถ้าหากว่าทัานจิตให้สงบแล้วแล้วก็นั่งถ้าสบายแล้ว ก็คงไม่พัาดหรือว่าทำได้ก็แล้วกันขอใคยก็ขอเชิญทูลทานเมหนาเกิดครับนักมัจจจการหลวงพ่อครับในขณะที่จิตผมรวมเป็นสมาธิแล้วนะครับพุทโธเกิดหายไปกายเริ่มไม่รู้สึกอะไรแล้วจิตน่ี้สงสว่างมากครับแต่พอทั่พรนนึงก็จะหายไปอันนี้ไม่ทราบว่าจะมีอุบายอะไรให้สามารถอยู่ได้นานในลักษณะจิตนั้นบ้างครับผม ลักษณะชนนี้เรียกว่าเป็นลักษณะที่เกิดฐานขึ้นมาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดฌานซึ่งเราจะอธิบายต่อไปข้างหน้าแต่การที่ใงินลนชนนั้นเกิดขึ้นในพลังสมาธินีเท่าไหร่านก็จะมีอยู่เท่า น, นั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำสมาธิมากขึ้นมากขึ้นการอยู่ในฐานก็จะนานขึ้นตามลำดับ เพราะว่าการเดินในทานนั้นเขาก็เป็นการสว้ยผลก็มีความสบายมีลักษณะก็บปบนเช่นนี้ต่อไปขอเชิญคุณทาริษาคำงามผมจะเป็นคนสุดท้ายกราบสวัสดีท่านอาจารย์ขอเรียนถามว่าเวลาผิดนั่งสมาธิพอได้ระดับหนึ่งรู้สึกก็เหมือนจะวูบแล้วเหมือนมีอะไรมาตรึงอยู่ตรงหน้าแล้วรู้สึกกลัว กลั ว, ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลัวไปกลัวไปซะทุกอย่างเลยเจ้าค่ะขอพระอาจารย์ได้โปรดแนะแนวทางแล้วก็อบายให้ด้วยเจ้าค่ะการกลัวนั้นเอเกิดขึ้นจากสติของเราเนี่ยควบคุมสติไม่พอเมื่อสติไม่พอความกลัวก็เกิดขึ้นหนทางแก้คือเราต้องถามว่าใครเป็นผู้รู้ ไอ้ที่เกิดขึ้นมาในลักษณะนีน้ลักษณะนี้ใครเปนผู้ผลนและใครเป็นผูร้รู้การที่เราถามว่าใครเป็นผู้รู้นั้นต้องการที่จะให้คําถามเนี่ยเก็บไว้ใ น, นใจของเราในขณะที่ความกลัวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้คําถามว่าใครเป็นผู้รู้มี่คือการเพิ่มสติแต่ว่าการถามนั้นเราจะไม่ถาม มากครั้งถามเพียงครั้งเดียวอย่ามากกว่าสองครั้งแล้วก็ให้คำถามนั้นหายไปไม่ต้องคิดพอมาทำอีกครั้งเราก็เอาคำถามนี้ตั้งขึ้นอีกก็ควจะเข้าใจที่ว่าเพราะคำถามอันนี้จะเข้าไปเหมือนกันกับถ่ายรูปเก็ดไว้ในใจแล้วมันจะไปแก้กันเองอยู่ในใจความกลัวจะหายไป